คุณย่าน้อยของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นท่านก็ไม่หลีคลีหนีไปพ้นเหมือนกันถึงท่านจะไปก่อนแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังแต่บางคนก็บอกว่าคนนั้นอายุแก่กว่าคงจะไปก่อนก็ไม่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 ตรงไปตรงมาเป็นผู้มุ่งมั่นปฏิบัติศีลและธรรมจริงๆจังจ้งแต่หลวงปู่มั่นตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลงตามหาบัวล้วนแล้วจะเป็นผู้ปฏิบัติตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อท่านได้ล่วงรับไปอธิธษฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้กราบไหว้สักการะบูชา เราจึงมั่นใจว่าสายของพ่อแม่ครูบายจารย์หลวงปู่มั่นเป็นสายอริยะถ้าว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบายจารย์ประพฤติปฏิบัติแล้วผู้นั้นก็จะถึงมรรคผลนิพพานจริงเนีเพราะนั้นตระกูลของเราตระกูลของพวกเราที่เป็นเชื้อวงศาคนาญาติ จึงได้นับถือปฏิปทาเรื่าสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นมาโดยตลอดมาถึงยุคนี้สมัยนี้คนนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนให้ยึดแนวแถวที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเดินมาถูกทางแล้วนะหลวงพ่อว่านะอย่างหลวงพ่อนี่ก็เหมือนกันอยู่ทางจังหวัดมุกดาหารหลวงปูเ่เสาหลวงปูงป่มั่น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 เราคนหนึ่งอีกเหมือนกันก็จะต้องตายเหมือนกับคนทั้งหลายเพราะนั้นพระพุทธองค์มาคิดถึงความตายของพระองค์พระองค์จึงหาวิธีที่ว่าจะทำยังไงจะไม่ตายเพราะนั้นท่านจึงได้หนีออกจากเวียงวังไปสวแสวงหาทางไม่ตายจากนั้นท่านจึงได้หนีออกไปอยู่ในป่าดงพงภัยถึงหปีไปค้นคว้าศึกษาเหมือนกับหลวงปู่เสาหลวงปูม่มันของพวกเราเ แภายบาดแบกโกรธเข้าไปอยู่ในป่ารงพงไพ่ไ ป, ไปสแสวงหาไปภาวนาหาทางพ้นทุกข์ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ไปออกไป เ, เป็นบรมครูเป็นผู้พาสแสวงหาเหมือนกันท่านไปอยู่ในป่าถึง6ปีค้นคว้าศึกษาศึกษาค้นคว้าอดภัคยาหารอดอาหารถึง49วันก็อดอดลมก็อดกั้นลมก็อดทุกอย่างพระองค์ทาหมดเพราะ พระองค์เป็นผู้นําก่อนเป็นผู้นําประพฤติปฏิบัติก่อนจากนั้นวันที่ท่านได้ตัดรู้ธรรมคือวันเดือนหกเพนเวันนั้นวันเดือนหกเพนพระองค์นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นพระองค์ก็กําหนดลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อพระองค์จิตของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง จิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานพระองค์ระลึกชาติโหนหลังได้เรียกว่าปุเพนิวาสานุจติญาณระลึกชาติโหนหลังได้เพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมลูกหลานอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูนยนะตายแล้วเกิดอีกอย่างคุณยา่าคุณยายของพวกเราเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านยังไม่หมดกิเลสท่านยังไม่เป็นพระอรหรันต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 เราควรจะส่แสวงหาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเอออันนี้แหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เร่ว่าจุตูปปาตาญานเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนพระพุธองค์ได้ตัดสรุปธรรมว่าจุตูปปาตายาณการจุติของสรรพสัตว์คนเราเกิดมามาเกิดมาชาตินี้ทําไมไม่เหมือนกันทําไมคนหนึ่งทุกข์คนหนึ่งจนคนหนึ่งหูหนวกตาบอด คนหนึ่งมีสติปัญญาทำไมไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันพระพุทธองค์บอกว่ากรรมกรรมในอดีตพามาเกิดถ้าเขาทำกรรมไม่ดีไว้มาเกิดพบนี้ชาตินี้ก็มาเกิดในสิ่งมาประสบพบเห็ น, นมาเกิดในสิ่งที่ไม่ดีเกิดมาก็เป็นคนทุกข์คนยากลําบากเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นไปได้ทั้งหมดกรรมชั่วพามาเกิดแต่ถ้าว่ากรรมดีพามาเกิดในสั่งสมคุณงามความดีไว้ในอดีตชาติ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 ถ้าทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะตามสนองพาไปเกิดในภพภูมิต่ตตางๆมีแต่ความทุกข์อย่างพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอากตังลุ ก, กตังเสยโยปั ช, ช่าตะปฏิลุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทำแล้วย่อมให้ผลเป็นทุกข์เมื่อภายหลังเมื่อนั้นพวกเราทำกรรมที่ไม่ดีแล้วกรรมชั่วจะให้ผลเมื่อภายหลัง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 พระ อ, องค์จะปรินิพานพระพุทธองค์สั่งเป็นคำพูดวาจาครั้งจุดท้ายว่ า, าขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดท่าติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะพวกท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นจากนั้นพระ อ, องค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่กล่าวอะไรอีกต่อไป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 ได้สั่งสมคุณงามความดีทั้งตนและทั้งผู้อื่นชีวิตของเราก็จะมีความสงบพรมเย็นเป็นสุขบุญกุศลจะเข้าเพื่อกุลหนุนพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะตัทาญาติยมทุกคน <c oughs> ที่ท่านเขาเขียน เ, เขาเตือนเอาไว้หลวงพ่อฟังฟังดู <c oughs> เป็นคำพูดของอพี่น้องชาวจีนนะเขาเขียนแต่หลวงพ่อมาฟังนะเอเอเป็นหน้าคิด น่าจะมาขยายผลให้แก่พวกเรา ท, ทั้งหลายฟังมีตาแก่คนหนึ่งอายุเจดสิบกว่าปีอายุเจดสิบกว่าปีตาแก่ตายแบบปุบปับหัวใจวายตายพอตายไปแล้วทีนี้อยอมมาโูษเขาก็เอาทหารมาเอาไปใช่ไหมล่ะเอาทหารมาล็อกแขนไปเลยไปหายมมาโูษพอไปตาแก่ก็ไปแบบไม่ได้คิดในอ่านไปแบบปุบปับ พอไปเห็นยมมาทูตก็โมโหให้ยมมาทูดว่าทำไมเอาข้ามาโดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าวล่วงหน้าไว้ก่อ น, นทำไมเอามาแบบปุบปับอย่างนี้เนี่ยพอไปเห็นหน้ายมมาทูดพอเห็นหน้าท่านน่ะตะแกะกับตะบันเสียงใส่เลยเหมือนกันเลยยมมาทูท่านทำกับผมอย่างนี้ไม่เป็นธรรมเลยนะทำไมเอามาเอาผมมาทำไมไม่บอกผมก่อนอย่างน้อยต้องบอกผมก่อนที่ว่า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 อันนี้เป็นปัลลโลกนะปัลลโลกนะจาไว้นะทำไมจึงว่าเราไม่เตือนทำไมหาว่าเราไม่สอนทำไมหาว่าเราไม่บอกเราบอกมาจนพอแรงแล้วแต่ตะแกะดื้อด้านใะเองไม่ยอมฟังตะแกะเขาว่าท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงท่านไม่เคยเตือนผมเลยเไม่บอกเคยบอกผมเลยบอกผมที่ไหนไมเ่เคยเห็นบอกไป ป, ป, ปุบปับเอาผมมาเลยอย่างเนี้ย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 จดหมายฉบับที่สองอแล้วฟันหลุดละ่ะอายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบห้าปีครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่สามเล่าเตือนมาเป็นระยะระยะแต่พ อ, อแต่พอเตือนทางสายตาก็หาแว่นมาใส่อพอมาผมงอกเก้าสีมาย้อมพอฟันหลุดหาฟันมาใส่แทน <Fortnite. S 2> ไม่ยอมแก่ไม่ยอมไม่ยอมฟังรับฟังคําเตือนเลยนี่แลหละเตือนมาหลายครั้งแล้วยมมาทูดเขาสอนนะเพราะนั้นพวกเราฟังเลยที่ว่ายมมาทูดเตือนเราเนี่ยเตือนมาหลายอย่างแล้วนะเพราะนั้นพวกเราเป็นยัง ไ, ไงยอมมาทูดเตือนให้พวกเราฟังเอาไว้นะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าว่าพวกเราไม่ไม่ฟังยมมาทูดนะ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 ยมมาโทษก็เลยเอาตะแก่นะั้นลงไปลงกระทะลงกระทะเผาให้เข็ดไม่รู้จะได้ขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่นี่อยู่ข้างๆไปด้วยกันกับตะแก่นะยมมาโูษครับอที่ท่านเตือนคุณลงที่เมื่อกี้เน เ, เตือนอตาฝ้าตาฟังผมผักขาวฟันหลุดหูตึง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 ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เพื่อนรักกั น, นที่ตายไปก่อนอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสองปีครับเขาทำํำไมยังตายเพราะไตวายครับและเธอละ่ะผมเป็นโรคปอดครับผมเป็นโรคปอดเป็นวานาโรคครับตายคราวนี้นั่นแหละที่เราเตือนข่าวก่อนเป็นเพื่อนกันอายุยี่สิบกว่าปีก็ตายไปเราเตือนแล้วเกิดมาแล้วต้องตาย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 ยังไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรมากมายนักหนาไปไปหาเกิดซะต่อไปอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเนยอมมาโทษเขาให้ให้อภัยโทษให้ชายหนุ่มคนนั้นไปหาเกิดใหม่นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะอันนี้เป็นคติเออคติที่สอนพวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราพวกเราเกิดมาทุกคนนะยมมาโทษเขาเขียนวีซ่าให้หมดนะนะ เขาเขียนวีซ่าให้พวกเราแล้วนางนั้นนายนี้ไปเกิดเอา้าเออไปไปสร้างสังสมคุณงามความดีนะไปสร้างบุญสร้างกุศล น, นะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะพอวันดีคืนดีมาเขาก็ส่ง เ, เขาก็ส่งวีซ่ามาให้แล้วน เ, นเออเขาก็ส่งวีซ่ามาให้พวกเราพวกเราก็ได้รับเนี่ยอย่างคุณยายเนี่ยท่านได้รับบีซ่าแล้วนะ พอได้รับวีซ่าเนี่ยยมมาทูตเขาส่งวีซ่ามาให้ท่านก็ต้องกลับต่างประเทศของท่านกลับแล้วงั้นกลับบ้านเก่าของท่านกลับต่างประเทศพวกเราอีกไม่นานก็ส่งขึ้นเมนจากนั้นก็ยายก็ไปตามเรื่องของยายละวิญญาณก็ไปตามบุญตามกุศลของยายที่ได้ทําแต่ลูกพ่อเองก็มั่นใจว่ายายนี่คุณยายของเราเนี่เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลมาโดยตลอด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 นี่และชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคณนะสั ธ, ธาทยาิโยมลูกลานวันนั้นการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาทธิทีวะอณิจาวัตสังคาราและขยะวยธรรมมาสร้างข้าราที่หลวงพ่อได้แปลและอธิบายให้ฟังแล้วก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติการแสดงธรรมด้วยอำนาจคุณภษีรัตนนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและกับบุญบา ร, รมีของคุณย่าคุณยายน้อยของพวกเราได้สั่งสมบุญมาแล้วกขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทําแล้วนั้นเป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนท่านและกับพวกพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้ร่วมกันทําบุญทําบุญทําทานด้วยการส่งพลังทางจิตด้านทางด้านจิตใจกอขอให้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 ขอเห็นสมหวังดังปรารถนานการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติเอวังก็มีด้วยปากาละชะนี